การนพัสการเจ้าค่ะพระจารย์คือยมไม่ได้ปฏิบัติทางดูจิตมานั่นเจ้าคะ่ะแต่ว่าอสักหลายเดือนมาแล้วก็เห็นเอ๊ะทำไมเราเห็นพูดมันพูดตลอดเวลาพอพูดพอเรารู้ปุ๊บมันหยุดแล้วมันก็พูดต่อพูดไปเรื่อยๆก็เลยเข้าใจโอ้เรานี่พูดตลอดเวลาเนี่ยคือเนี่ยอจิตเห็นจิตเนี่ยคือตัวเรานี่มันพูดอยู่คนเดียวตลอดเวลาเนะจิต ภาคตลอดทุเอออวนภาคก็ถูตลอดเวลาเลยเนี่ยแสดงว่าฟังปลงตามาแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ก่อนฟังมันเกิดจา่ก็โยมก็เอ๊ะทาไมเราพูดตลอดแล้วไม่หยุดเลยแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะไหนๆถ้าเรารู้ซื่อๆตัดสัมรู้ได้แค่แค่รู้แค่รู้แล้วก็พอรู้ก็พอเหตุมันภาคมันก็หยุดแล้วพอพอเรานั่นปึ๊บมันก็ภาคใหม่มันก็ไปมันไม่ต่างกันทำไมเขาหยุดนะแค่รู้นะแค่รู้เท่านั้นเองเรื่องของเขานะเราแค่รู้ถ้เราแค่รู้ในจริงมันรู้ที่ผ่านได้จริง พอรู้ปุ๊บมันก็หยุดแล้วมันก็ต่อไปใหม่พอเราเราเลิกที่จะไปสนใจมันถ้าถ้าแบบนี้เราคงแค่รู้เราแค่รู้มันจะไม่หยุดนะมันจะหยุดหรือไม่หยุดไมได้เกี่ยวกับเราหรอกเรื่องของาจะภาพภาพภาพภาพภก็ภาพเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยไม่มีไม่อะไรที่แบว่าจะภาพเปลี่ยนไปเรื่อยภาพเก่าดับไปก็ภาพใหม่ภาพเก่าดับไปกับภาพใหม่ไปเรื่อยเนี้ยเช่นที่ดวงตายกแก้วน้ําอ่ะพอดวงตาวางบงมันก็อธิภาพแก้วน้ําก็ดับไปเองเพราะเหตุปัจจัยมันดับไปไง มันดับไปไม่ใช่ว่าเราไปรู้มันก็<อ>เหตุปัจจัยที่ทําให้เราภาคมันดับไปแล้วพอลูกตาหยิบแก้วขึ้นมาใหม่มันก็ภาคใหม่<อ>ครับคเหตุปัจจัยจ <บ S 1> อ, อันใหม่เกิดมาใหม่เรารู้ใหม่ภาคใหม่คือเหตุปัจจัยที่ไปรู้เปลี่ยนไป <จบ S 2> เหตุปัจจัยที่ทําให้ไปรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะเปลี่ยนไปของเก่าวมันดับไปมันภาคใหม่อเรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราไปรู้มันมันจริงดับแล้วเจ้าค่ะก็เห็นมันเปลี่ยนเรื่องแต่ว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เค่อยจะรู้เต็มเรื่องก็มีนะคะแต่รู้มันเรียกว่าสติขาด หรือคะรู <S <S um> ้มันพูดพูดอะไรบ้างไม่ค่อยจะรู้เต็มเรื่องเท่าไหร่เราต้องรู้เต็มนะฮะว่ามันพูดเรื่องอะไรอะไรอย่างนี้จ้มันจะตัวเราพูดตลอดนะมันก็รู้ตลอดเป็นของติดคู่ติดกันรู้กัคิดรู้กับคิดรู้กับคิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติตั้งคู่นะไม่ใช่ว่าเราต้องไปตั้งใจคิดกับตั้งใจรู้มันภาคเองเมันรู้อะไรมันก็ภาคเองแล้วก็รู้กับรู้รู้กันเองรู้ขึ้นมาเองโดยไม่มีเจตนารู้ไม่ได้จงใจรู้ไม่ได้พยายามรู้ค่ะมัน ลูกกันเองเจ้าค <bride. S 1> ่ะม yes. ันไม่ต้องว่าใช้ความพยายามอย่างคุณผะหลุงตายกยกหนังสือจบสักทีขึ้นเนี่ยปุ๊บหลายคนต้องตั้งใจคิดไหมว่าหลุงตายกหนังสือขึ้นต้องตั้งใจคิดไหมสักตะที่ดีๆนี่ตรงนี้สําคัญนะพอลุงตายกหนังสือขึ้นปุ๊บอันเนี้ยท่านต้องตั้งใจคิดไหมว่าหลุงตายยกหนังสือบางคนอาจจะพูดอีกว่าลุงตายยกหนังสือจบสักทีขึ้นมาอันเนี้ยทักเกตดีดีวะท่านตั้งใจคิดไหมไม่ไม่ตั้งใจคิด แล้วท่านจะสังเกตให้ดีๆว่าเนี่ยท่านรู้ไว้ว่าท่านคิดว่าเนี่ยลุงตายกนังหนังสือมันภาคาในใจว่าลุงตายยกหนัง ส, สือเจอดว่าความรู้เนี่ยมันก็รู้ขึ้นมาเองลุงตายยกหนังสือคือมันมันเปเสร็จขึ้นมาเลยอ่ะพอคิดว่าหลุงตายกหลุงตายกหนังสือมันก็รู้อะไรว่ามันคิดว่าลุงตายกหนังสือสถ้าเรามีสติอยู่นะถ้าเราไม่มีสติเราก็แค่ไหนว่าหลุงตายยกหนังสือแต่เราขาดความรู้คือ รู้ว่าจิตมันคิดว่ามันภาพกว่าหลวงตายกหนังสือมันต่างกันตรงนี้หรือเปล่าปัตตุชนกับกับผู้ที่จะพนทุกนิดเดียวเส้นจะแดงผ่าแปดถ้าเป็นปัตตุชนทั่วไปอ่ะเห็นเห็นหลวงตายกหนังสือจบส ท, ทีขึ้นมาปัตตุชนทั่วไปก็เห็นแล้วก็พูดในใจทุกคนว่าเนี่ยหลวงตายกหนังสือจบสติขึ้นมาก็แค่เนี้ยนี่คือุกคนทั่วไปแล้วยกเอาหนังสือลงแล้วก็เปลี่ยนไปยกแก้วน้ำขึ้นมาใหม่อาหลวงตาวางหนังสือลงแล้ ลูตาเปลี่ยนเป็นยกแก้วน้ำขึ้นมาผู้ชมทั่วไปก็เห็นอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆเหตุปัจจัยที่ที่ทำให้รู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็เลยภาคมันก็ดับไปแล้วก็เหตุปัจจัยไปรู้ใหม่มันก็ภาคใหม่ดับไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นให้รู้แล้วก็ภาคภาคสิ่งที่ถูกรู้เรื่อยไปช่แต่ผู้ชมทั่วไปก็ภาคสิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังภาคพูดภาคอยู่ในใจแต่ถ้าพูดสิ่งพ้นทุกข์ก็คือว่า ถ้าพูดอยู่ในขนั <rất> ah ้นฝึกนะก็จะรู้ว่าตัวเองอ่ะภาคตลอดเวลาทุกครั้งที่รู้ทุกขณะจิตชี่รู้จะภาคตลอดเวลานี่คือระหว่างฝึกระหว่างฝึกก็คือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างที่โยบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างก็คือระหว่างฝึกก็คือว่าสติไม่ขาดก็จะรู้ตลอดเวลาทุกครั้งที่รู้อะไรตาหูจมูกจิยใจเนี่ยก็จะภาคตลอดเวลาแล้วก็พอสิ่งที่ถูกรู้เปลี่ยนไปการภาคก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา เลยพอผู้ฝึกจิตแล้วเนี่ยหรือผู้ฝึกสติเนี่ยก็จะรู้ตลอดก็จะรู้บ้างไม่รู้บ้างพอฝึกมากๆเขาก็จะรู้ได้ตลอดเลยว่าเนี่ยไม่ว่าจะกระทบอะไรต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะปัจจุบันจะต้องภาคตลอดเวลาเลยแต่พอสิ่งที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยดับไปในขณะปัจจุบันนั้นการภาคก็เปลี่ยนไปแล้วก็ภาคอันใหม่เรื่อยไปจะภาคอันใหม่เรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ไม่ใช่ดับไปเพราะว่าเราไปรู้เขาจิตดับ แต่ก็ดับไปแล้วก็ภาพใหม่ตามเหตุปัจจัยของการกระทบที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็ภาพนี่นี่อยู่ระหว่างผู้ฝึกผู้ฝึกสติอยู่ระวางการฝึกสติก็ขาดบ้างไม่ขาดบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างเราก็รู้บ้างหลงบ้างเข้าไปยึดบ้างเข้าไปเป็นคนภาคตัวเองบ้างแต่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองกําลังภาคแต่ผู้ที่ใกล้จะพ้นทุกข์แล้วหรือใกล้จะรู้นิพพานเริ่มรู้ซื่อแล้ว เริ่มรู้ซื่อๆสติก็ไม่ขาดารู้ซื่อๆสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้ซื่อๆที่ใจเริ่มรู้ซื่อๆทุกขนาดจิตปัจจุบันที่ภาคเริ่มไม่เข้าไปยึดถือเริ่มไม่เข้าไปยึดถือพอสิ้นความยึดถือจริงๆมันรู้วิพญานเลยค่ะแบบนี้เท่ากับถ้าเราเห็นมันภาคแล้วก็เข้าใจว่ามันเป็นขันห้ามันทําหน้าที่ของมัน มันจะต้องภาคตลอดเวลาแค่เพราะว่าพันธิภาพมันก็คือว่าจิตวิญญาณของเรามีงานรวมกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมาด้วยอะไรมันก็เลยต้องภาคภาคภาคภาคจังคะแค่นั้นเองใช่ไหมจังคะใแล้วก็เอแล้วอเราจะทิ้งมันได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นมันภาคจนเบื่อใช่ไฮะเราต้องเบื่อมันมากไหมคะถึงจะทิ้งมันเพราะมันภาคตลอดมันก็น่าเบื่อเพราะดังนั้นเราบอกว่าคนอื่นน่าเบื่อที่สุดน่าเบื่อที่สุดในโลกแท้จริงเพราเราเห็นตัวเรา่ ีบ่นที่พูดี่พากว่าเด็ดวตัวเราเนี่ยน่าเบื่อที่สุดในโลกไม่ใช่ใครน่าเบื่อที่สุดในโลกเราเนี่ยน่าเบื่อที่สุดในโลกเราต้องอยู่กับไอ้คนที่บ่นที่พูดขี้พากตลอดเวลายี่สี่ชั่วโมงอ่ะไม่ว่าเราจะนอนหลับมันก็ไม่ยอมหลับมันก็พูดพาคบมาอยู่ในคนเดียวงงเงี้ยงงเงี้ยคนเดีตลอดเวลาเลยเดี๋ยงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงจงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงคนงงงงงงงงงนงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง มันไม่หยุดพูด e, ไ, ไ, ไ, e ไม่หยุดภาพไม่หยุดสวดมนต์เลยมันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดมันสวดมนต์ไม่หยุดเลยเนี่ยอาจารย์จะนอนก็ไม่นอนเลยกลายเป็นหนูเน่ะมีมีสองตัวอยู่ตลอดเวลาเลยตัวหนึ่งอ่ะรู้อีกตัวหนึ่งอ่ะสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาไม่เลิกเลยอย่างนี้เห็นไหมมันมีอยู่สองตัวเลยตัวหนึ่งรู้อีกตัวหนึ่งอ่ะมันสวดมนต์ไม่หยุดแต่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นภาพแล้เขาไมเห็นว่ามันสวดมนต์แต่ความจริงมันมีตัวภาพอีกมันต้องสูงพัฒนาขึ้นไปอีกแต่คนเนี้เขาเห็นแค่แต่มันสวดมนต์ไม่หยุด ต, ตัวหนึ่งก็ส่วนบนไม่หยุดอีกตัวหนึ่งก็รู้ตัวส่วนันไม่หยุดแต่ความจริงอะไอ้กายเนื้อมันหลับมันมีสามตัวไอ้กายเนื้อนอนหลับคลอกคลอกคอกแต่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่หลับไอ้ตัวส่วนมันก็ไม่หลับแต่จริงๆถ้าข้บพัฒนาสูงขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวผ้ามันก็ไม่เคยหลับไอ้ตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่เคยหลับ <S <S มันเป็นของที่ธรรมชาติเพราะรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของภาตรู้ที่ไม่ใช่ขันห้ามันก็เลยไม่เคยหลับเพราะขันห้าตอนนั้นที่หลับเอแต่ขันห้าที่เป็น เวทนาสัญญาทังขามิจฉามันไม่หลับแต่กายมันหลับแต่เวทนาสัญญาทังขาวิญฉามันทํางานตลอดเวลาถ้าไม่ทํางานตายเลยอ่าแต่ไม่ตายก็กรณีที่เข้านิโรธสมาบัติอั น, นันไม่ตายถ้าเป็นสัญญาเวท ย, ยิฐนิโรธอันเนี้นยถึงเวทนาสัญญาทังขามิญญาไม่ทำงานเอ่าแต่ไม่ตายไม่ตายคือไม่หายใจด้วยนะนั่งอยู่ได้สามวันห้าวันเจ็ดวันอธิษฐานจิตแล้วก็นิ่งเงียบไปเลยแต่นั่นเข้านิโรธสมาบัติแต่เป็นนิโรธสมาบัติแบบฤๅษีแบบนั้นแหละคือเข้านิโรสมาบบบัตแ ไม่ไม่เท่ยวบะบรรลุอะไรนะเข้าได้โดยเข้าของชาลุษีแต่ถ้าเป็นนโรธสมัตบิบาดจริงๆของนุป ม, มาสโพเลโตคือความทนทุกตลอดเวลาเรียกว่านิโรดนิโรดแปลว่าทนทุกสมาบัติแปลว่าต่อเนื่องก็คือทนทุกอย่างต่อเนื่องทั้งตลอดชีวิตเรียกว่านิโรตสมาบัตในสภาวะจิตตื่นค่ะอีกคําถามนึงนะเจ้าคะคือขณะที่เราป่วยสมมุติว่าเราไปทําผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่เออคือมีพระอาจารย์ถามโยมว่าโยม เอาจิตไว้ที่ไหนอ๋อไว้ที่อะที่ที่ลมหายใจเจ้าคะ่ะท่านก็บอกแนี่น่ามาฝึกเลยดูควรจะอยู่ที่รู้ยงก็ไม่ค่อยแน่ใจจริงๆต้องอยู่ที่ลมหายใจกับที่รู้นี่มันผิดกันตรงไหนเช้าคะ่ะเาก็อยู่ที่รู้ก็เพื่อว่าอเราก็รู้ก็คือ ร, รู้ขาหน้านี่เนี่เพราะว่าขันน้ามันจะดับแล้วก็ผ่าปุ๊บจะเกิดในขาหน้ามันตายแตกดับไปมันก็้ร่างกายขาหน้าเนี่ยมันก็หายใจไม่ได้มันก็มีความรู้สึกไม่ได้มันก็มีความคิดไม่ได้ มันก็ไม่สามารถพูดได้คือไม่สามารถคิดไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไม่สามารถแสดงกิริยาการได้ไม่สามารถหายใจได้มันก็ตายเลยแต่ไอ้รู้ไม่แตกไม่ดับถ้าเราเพิ่งอยู่กับรู้เนี่ยก็ตายแต่ไอ้ไอ้ขันห้าแต่รู้ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเป็นอมตะเลยอันนี้เป็นนิพพานออถ้าอยู่กับตัวรู้ถ้าอยู่กับผู้ตัวรู้นะคะแล้วอีกอันสมมติเราจะตายการที่เราจะตายแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจตลอดจนลมหายใจสุดท้าย อ, อไม่ ort, ไม่อยู่กับรู้อยู่กับรู้ถ้าสมมติถ้าเราอยู่กับลมหายใจ Artist, ตายแล้วจะไปตรงไหนเช่ค่ะอ๋อมันไม่ไม่รู้จิตเนี่ยมันนี่ก็ไปตามยถากรรมนะอ๋อเพราะว่ามันอยู่กับลมหายใจแต่ไม่รู้วจิตมันมันปรุงว่ายังไงไงอันนี้ก็ไปตามยถากรรมเลยเพราะไม่รู้ไม่รู้จิตขณะที่อยู่กับลมหายใจปรุงไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วลมหายใจหมดปุ๊บไม่ไม่ไม่ตอนขณะอยู่กับลมหายใจเนี่ยแต่ข้างในมันมันพูดอยู่มันภากอยู่เราไม่เห็นนะ ตอนที่รู้อยู่เราไม่ใจแต่ข้างในมันต้องภาพมันต้องภาพอะไรพูดอะไรอยู่แต่เราไม่เห็นมันเลยความไม่เห็นไม่รู้เลยไปเอาวิชาตเนี้ยแล้วแต่มันจะไปตันกษบสากำอ๋อจุกค่ะมันต้องอยู่กับรู้ลู้กายรู้จิตเนี่ยรู้อยู่กับรู้แต่ไม่เป็นกายเป็นจิตแต่อยู่กับรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พหลักทั้งหลายอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้ลู้กายรู้จิตรู้ตัวเราอยู่กับรู้แล้วก็ปล่อยตัวเรามันค่อยๆความรู้สึกตัวค่อยๆหมดไปความคิดค่อยๆค่อยๆห่างตัวเราไปพอเราจะตายกับตอนจเราจะหลับกัมันคล้ายกันเราคุณตองจะลับก็ได้ พอเราจะหลับเนี่ยเราก็อยู่กับรู้ตัวเราไว้อยู่ no กับรู้เราเราก็รู้ตัวเราก็คือร่างกายเราที่นอนหายใจอยู e. ่เนี่ยหายใจแแบบอยู่เนี่ยเราก็รู้ตัวเราไว้พราอจะตายก็เหมือนกันร่างกายเราก็นอนหายใจแแบบเนี่ยก็นอนหายใจแล้วเราก็รู้อยู่กับรู้ร่างกายที่นอนนอนหายใจแล้วก็ความรู้สึกตัวแล้วก็ความคิดเราก็รู้รู้ขห่าน่าให้มันครบเนี่ยกสับกระสรู้ขห่าน่ไว้ก็ทั้งความรู้สึกตัวทั้งความคิดเนี่ยแล้วเราเห็ว่าพอเราจะหลับจริงเนี่ย แม้แต่เราจะรู้เนี่ยไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นขันธ์ท่าวัตติสมาธิปัญญาหรือสัมพพัญญะเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็ค่อยเบอรเบอร์เบอเบอร์เบออร์มเพมเพม่้ความรู้สึกตัวไม่ไม่ไม่ขาดนะไม่ขาดเนี่ยเอไม่หลับหรอกเรไม่หลับอันนี้มันความรู้สึกตัวมันขาดสิมันก็เลยหลับไอ้ความรู้สึกตัวคือวติสัพพัญญะเนี่ยมันขาด มันขาดความรู้สึกตัวมัน ค, ค, ค่อยๆเบอเบอร์เขิมเขเพราะว่าอะไรไอ้ความรู้สึกตัวสติสมาธิปัญญาสัมปชัญญะมันเป็นสังขารในขันธ์ห้ามันเลยเกิดดับได้นะแต่เพราะว่ามันมีสติอยู่เลยเลยความรู้มันมีอยู่เอเ อ, เอธรรมชาติของธาตุรู้มันเลยทํางานอยู่ได้เพราะว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันตอนนี้ถ้าสติไม่ขาดเนีย่ยถ้าสติไม่ขาดความรู้ ร่างกายจิตใจเราไปเรียนรู้ตลอดเวลาเลยมันไม่เบอร์เลยตัเนี้ตัวนี้พอเราสติเริ่มขาดความรู้มันก็เริ่มหายเพราะว่าสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันตัวนี่พอนอนไปเพะตอนเราจะตายมันมันมีลักษณะเดียวกันคือความสติสัมปชัญญะมันเป็นขันห้ามันก็เริ่มเบอร์เบอร์ไปพราะเบอร์เบอรไปความรู้มันก็เริ่มขาดเพราะว่าสติกับความรู้มันอยู่คู่กันแล้วกันเราตั้งใจดูไห เราจะหลับมันจะมีอาการเบอเบอเบอเบอร์เบอร์เบิ้ลเบลกลเบเอร์ไปเบอเบไปค่อยๆค่อยเพความคิดก็ค่อยๆหายไปเนี่ยเราเราจะตายก็แบบเดียวกันน่ะความรู้สึกตัวมันจะค่อยๆขาดไปแล้วความคิดก็ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปห่างไปความรู้สึกตัวค่อยเบอร์ไปเบอร์ไปเบอร์ไปแล้วก็ดับวุ้บไปแล้วก็ตายแต่ถ้ามันไม่ถึงกับความตายมันก็วุ้บไปแล้วก็หลับไปแต่เหมือนกันเลย เดีนี้เวลาฝึกต้องฝึกให้รู้ไว้ฝึกให้รู้ไว้ปล่อยให้กายมันหลับอย่าลืมตากายมันนอนหลับอยู่แต่สัทธาสติยังมีอยู่มันก็จะรู้อยู่ตลอดเวลาว่าภายในจิตใจล่ะเราเนี่ยมันพูดอะไรมันบทอะไรถ้าเราไปรู้แต่ลมหายใจเนี่ยถ้าเราไปรู้แต่ลมหายใจเขาออกเราไม่รู้ว่าเราภาคเราพูดอะไรอยู่ในใจมันจะเสียท่าคือมันไม่รู้ว่าเราภากเราพูดอะไรเพราะมันลมหายใจดับไปแค่นั้นแหละ จิตมันไปตามที่มันพูดมันพาเลยมันพากอะไรมันเกาะเกี่ยวอะไรมีอะไรน่วงเหนียวมันไปดึงมันไปเราไม่รู้เรื่องเลยตต่เนี้ยมันก็เหนี่ยวเราไปดึงเราไปได้เลยัแต่ถ้าเราเนี้ยเปรู้ไว้ไปรู้ไวรู้จิตไปเรื่อยเรู้ไปเรื่อยเื่อจนกระทั่งมันดับไปค่ะมันดับไปเลยแล้วก็เป็นรู้ฝึกให้เป็นรู้ไว้ในขณะนี้แน่ในขนาดจะถ้าจิตตื่นนะฝึกให้เป็นรู้ไว้ไม่ไม่ไปเป็นคิดให้เป็นรู้ไม่ไปเป็นคิดให้เป็นรู้ เ, เพราะรู้มัคิดไม่ได้ไง แต่ก็รู้ว่าเนี่ยเนี่ยขาน่ามันคิดมันพูดมันพากันบอกมันบ่นตลอดเวลาแต่รู้มันพูดมันพากันคิดไม่ได้มันได้แต่รู้เอ่เนี่พอเราฝึกเป็นรู้ปุ๊บเป็นรู้เนี่ยไม่มีไม่มีตัวตัวตั้งรู้มานะอ่าไม่มีตัวตั้งรู้มามันมีแต่ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยที่ปรากฏแต่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ไอตัวตนของผู้ที่มารู้เนี่ยไม่มีไม่ใช่ว่ามีไปตั้งรู้ไว้เหมือนที่คนหลายคนฝึกแล้วพยายามไปไปตั้งตัวรู้ไว้ไม่มีถ้อันนั้นเน่ะ อั้นมันตัวปลุงแต่งอันนั้นตายแล้วก็ต้องไปไปเกิดอีกไปไปไปเป็นตามยถากรรมอีกมันไม่จะมีมีตัวตั้งรู้เหรอกไอ้ขันห้ามันมีแต่ตัวขันห้าปรากฏคือมีร่างกายที่เคลื่อนไหวมีลมหายใจที่เคลื่อนไหวมีความรู้สึกที่เคลื่อนไหวมีความคิดนั่นคือตอมปลุงแต่งที่เคลื่อนไหวแต่รู้ไม่รู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้มันมีแต่ขันห้าที่ถูกรู้แต่ไอ้ผู้รู้ไม่มีตัวตนเพราะว่าผู้รู้ตัวตนมันไม่มีไงไอ้ไอ้ วิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่มีตัวตนผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเป็นมันเป็นมีแต่ความว่างเปล่าแต่มันในความว่างเปล่าไม่มีตัวตนมันมีความรู้รู้อะไรก็รู้ตุกเนี่ยรู้ขันห้าตลอดเวลาเลยถสติยังมีอยู่เนี่ยอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันห้าไปช่วยมีสติไว้ความรู้ก็รู้รู้ตัวขันห้าตลอดเวลาเลยถ้าเอาสติไปตั้งที่รู้อะไรทุกขณะปัจจุบันไปตั้งที่รูกรถกินเสียงสภาพไปตั้งที่คนอื่นมันก็เลยไปรู้แต่เรื่องของคนอื่นต้นนี้ไปเกิดที่เขาแหละ สติเนี่ยมันมาตั้งที่ตัวเราตั้งที่ใจสติรู้ที่ใจสติตั้งอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจรู้ที่ใจล่าที่ใจเพราะอาศัยสติเนี่ยในขันห้าเนี่ยมันมารู้ที่ใจของเราไม่ไม่ส่งกิจออกนอกไปมันก็เลยมารู้เรื่องของตัวเราตลอดเวลาเลยเรื่องรู้เรื่องตัวเราก็คือรู้รู้ทั้งร่างกายจิตใจนี้ถ้ารู้ทั้งร่างกายจิตใจก็ถ้าเราสับเราบรรู้ได้ก็บรรลุนิพพานเหมือนกับกับทุกท่านเลยเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลูกตาไปถามมาก็ที่เป็นพระรหันต์ก็อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้ อยู่กัรู้อยู่กับผู้รู้อย่างหลวงปู่ดูลนตุโลกก็ถามท่านเลยก็ถามท่านก็บอกอยู่กับรู้เนี่ยหลวงปู่เรียนกรลาภรณ์ตาไปถามไปถามท่านเองท่านก็บอกอยู่กับรู้นี่แหละแล้วก็พ่อแม่กูบาอาจารย์ยังหลวงปู่เทศเทสังสิยก็อยู่กับรู้หลวงปู่รีตานังกะโลก็อยู่กับผู้รู้เนี่ยท่านไปไปอยู่กับสิ่งที่ถูกรู้นะท่านก็อยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้มีตัวตนของผู้ ร, รู ajo, ้หรอกก็คือว่าแค่สัตวะรู้สิ่งที่ถูกรู้แค่สัตวะรู้สิ่งที่ถูกรู้แต่ไม่มิด ไม่มีตัวรู้เนี่ยไปตั้งไว้ตั้งรู้ไว้นะมีแต่แค่รู้สิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็คืออะไรก็คือร่างกายจิตใจนี่เนี่ยเนี่ยขันห้าเรานี่แนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไว้งนั้นเวลารู้ไม่ใช่ไปรู้แต่ลมมันต้องรู้ทั้งจิตใจด้วยแล้วก็อยู่กับรู้แต่ไม่ไปอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไม่ระอยู่กับจิตคิดได้แต่อยู่กับรู้ก็คืออยู่กับรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาตั้งรู้แยกรอยสระนะก็คือว่าแค่รู้สิ่งที่ถูกรู้เขาเรียกว่าภาษาเขาเรียกว่าอยู่กับรู้แต่่่่่วาไมใช ไปไล่ร you know, right? ู right right ้นะอ่ไอ้ไล like ่รู้เนี่ไม so ่ใช่ไอ้ไล่รู้นั่นคือปรุงแต่งมันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยปรากฏเกิดขึ้นเองแะดับไปเองเกิดขึ้นเองแะดับไปเองเกิดขึ้นเองแะดับไปเองอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่กับรู้หรือแค่รู้หรือสัตววรู้มันคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ลมหายใจเข้าออกร่างกายเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกแล้วก็จิตใจก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเหมือนกับไปมันเหมือนกับไอ้เนี่ยไอกระดาษทิชชู่เลยนะ กระดษทิชชู่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดดับเองเกิดเองดับเองมันก็เหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเองแหละเกิดเองแล้วก็ดับเองเกิดเองแล้วก็ดับเองเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้อยู่นเนี่ยเนี่ยทันสังเกตไหมสังเกต ด, ดีๆนะท่านไม่ เ, เคยปรากฏ ต, ตัวตนของผู้รู้เลยท่านเห็นว่ามีแต่กระดษทิชชู่ตีลงตายโยขึ้นในอากาศแล้วก็ตกมาเองเกิดเองตกเอง เกิดเองตกเองเห็นจิตเป็นเช่นนี้เลยไม่ไม่ไม่เคยมีความรู้สึกย้อนกลับมาถึงผู้รู้เลยมีแต่สิ่งที่จิตที่เกิดเองดับเองเหมือนกระดาษที่ชู่ที่ลอยขึ้นมาในอากาศแล้วก็เกิดขึ้นเองแล้วก็ตกมาเองตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมาเองแล้วก็แล้วก็ดับไปเองตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองตามเหตุปัจจัยเขาเพราะว่าสิ่งที่ถูกรู้มันเปลี่ยนไปทางตาหูจมูกนิจกายใจมันเปลี่ยนไป จิตที่เอามาคิดวิาพากษ์วิจารเนี่ยมันก็เลยเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปมันก็เลยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแต่ท่านสังเกตไม้มตอนที่ท่านเห็นลงตาโยนกระดาษทิชชู่ขึ้นไปในอากาศเ่ยโยนกระดาษทิชชู่ไปในขาแล้วมันตกไปเนี่ยท่านเห็นแต่กระดาษทิชชู่มันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ตกลงที่พื้นมันกดมันเกิดขึ้นแล้วตกลงที่พื้นของมันเองตามเหตุตามปัจจัยท่านไม่เคยรู้สึกถึงผู่รู้ที่ตั้งไว้เลย แต่เวลาท่านปฏิบัติจริงๆท่านปฏิบัติผิดท่านไม่เห็นจิตมันเกิดเองดับเองอย่างธรรมชาติท่านมีผู้รู้ที่ไปแทรกแซงไปตั้งไปจงใจไปเจตนาไปพยายามรู้ไปแทรกแซงมันเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ท่านผิดตลอดเลยเพราะอะไรมันรู้แบบเดียวกับที่ท่านเห็นกระดาษที่จู้เนี่ยเห็นอาการของจิตเนี่ยเป็นแบบกระดาษที่จู่ที่มันลอยขึ้นไปบนฟานแล้วก็ตกขึ้นมาตามเหตุปัจจัย ลอยขึ้นไปนบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาตามเหตุปัจจัยเนี่ยท่านสังเกตไหมว่าท่านเห็นแต่กระดาษทิชชู่มันลอยขึ้ น, นบนฟ้าแล้วก็ดับลงมาตามเหตุตามปัจจัยลอยขึ้นบนฟ้าแล้วดับลงมาตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่ต้องคอยตั้งใจรู้เจตนารู้จงใจรู้พยายามจะแทรกแซงกระดาษทิชชู่ที่มันเกิดดับเกิดดับ ไม่มีใครเลยคิดว่ากระดาษที่ชู่มันเป็นอย่างนี้มันลอยแบบนี้อยากให้มันลอยอย่างงั้นมันลอยอย่างนั้นอยากให้มันลอยอย่างนี้ท่านก็ได้แต่แค่เห็นกระดาษที่ชู่มันเกิดมันมันลอยขึ้นฟ้าเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยที่ลูตายโยนขึ้นเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยที่ลูตายโยนขึ้นท่านสังเกตออกไหมว่าไม่เคยปรากฏตัวตนของผู้รู้เลยปรากฏแต่สิ่งที่ถูกรู้เกิดดับเกิดดับตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองซื่อ นี่แนี่ที่พระารหันทั้งหลายที่ท่านบรรลุธรรมมีพระอาหารหันต์อหนึ่งหันไปสงสัยการปฏิบัติเลยไปรอถามพระพุทธเจ้าไปที่ใต้คันทะพุดีพุทธเจ้าพอดีผลตกลงมาก็เลยว่าเดี๋ยวรอให้ผลเนี่ยหยุดตกแล้วก็จะขึ้นไปถามปัญหา พ, พระพุทธเจ้าผลก็ตกลงมามาก น้ำจากชายคาก็ไหลลงไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างเกิดตอมน้ําขุดขึ้นมาแล้วก็แตกไปเกิดต้นตอมน้ําขุดขึ้นมาแล้วแตกไปเกิดตอมน้ำขุดขึ้นมาแล้วแตกไปเกิดตอมน้ําขุดขึ้นมาแล้วแตกไปตอมน้ําเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยเพราะมีน้ําจากชายคาลงไปกระทบกับพื้นน้ําข้างล่างเกิดตอมน้ําขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปของเขาเองเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับของเขาไปเองเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยแล้วดับของเขาไปเอง ท่นมาเทียบกับการรู้เห็นกริยาการภายในจิตของท่านที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไรตัวตนของผู้ดูไรตัวตนของผู้รู้ไรเจตนาไรความพยายามไรความตั้งใจไรผู้ยึดมั่นถือมั่นเหลือแต่ยังกินจิสมุทัยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมมันติท่านเห็นแต่เพียงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาตามเหตุบรรดาปัปปจจัยสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นย่อมดับไป เป็นธรรมดาไม่มีใครเสวยไม่มีใครยึดมั่นหรือมั่นไม่มีใครไปหลอกลับไม่มีใครไปตั้งรู้ไม่มีใครไปจงใจรู้ไม่มีใครไปเจตนารู้ไม่มีใครพยายามรู้ไม่มีใครต้องไปแทรกแซงอะไรคงปล่อย ใ, ให้มันเป็นธรรมชาติที่ของมันคือมันเกิดขึ้นมาเองตามปัจจัยและดับไปเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเองไม่ปรากฏฝ่ายผู้รู้เลยปรากฏแต่ฝ่ายสิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดขึ้นเองดับเองเรียกว่า ยังกินจิสมุทเยะธรรมะสัพพันต่างนิโรธาธรรมันติปัญจวัคคีต้าห้าฟังธรรมพุทธเจ้าจบเรมพูงกันมาแบบนี้โอ้ยังกินจิสมุทเยะธรรมะสัพพันต่างนิโรธาธรรมันติพุทธเจ้าตัดเลยว่าอัญญากนธัญญะรู้แล้วเนาะเห็นแล้วเนาะรู้แจ้งแล้วเนาะเนีเนั้นภาษาโวที่ไปยืนรอที่จะถามคําถามพุทธเจ้ารออยู่ใต้คาถาอุดีพุทธเจ้าเห็น ต่อมน้ําที่เกิดจากน้ําที่จากชายัยคาไหลมากระทบพื้นน้ําข้างล่างแล้วเกิดเป็นตอมขึ้นมาแล้วเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุตามปัจจัยเกิดเองดับเหตุตามเหตุปัจจัยท่านเอามาเทียบกับกิริยาการภายในใจของท่านมีแต่กิริยาการที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีผู้แสกแงไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้ยึดบ้านถือบ้าน มีแต่กิริยาเท่านั้นที่ปรากฏเกิดเองดับเองท่านเห็นกิริยาการในใจของท่านกับต่อมน้ำข้างนอกเหมือนการเปรียบเทียบกันเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเขาเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยและดับไปของเขาเองไม่มีใครไปแทรกแซงที่มีใครต้องพยายามไปไปทำอะไรกับเขาพะผลหยุดตกเนะท่านั้นแหละท่านสิ้นความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นเองดับเองก็อรูปนิพพาน เดินกลับกุฏิไปโดยไม่ไ ม, ไม่ท่องขึ้นไปดูถามอาจารย์ท่านสังเกตออกไหมเนี่ยเวลาท่านเห็นกระดาษทิชชู่มันเกิดดับเกิดเกิดดับเกิดดับเนี่ยกระดาษทิชชู่ที่มันลอยขึ้นฟ้าแล้วก็เองดับเองตามเหตุตามปัจจัยท่านสังเกตไหมว่า ท่านไม่มีความพยายามไม่มีความจงใจไม่มีเจตนาไม่มีความเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเลยดูดูจิตทําไมมันเหนื่อยอย่างนี้หลายคนมาบนน่นว่าทำไมดูจิตมันเหนื่อยแบบนี้เอ้ยถ้าใครเห็นกระดาษ ท, ที่จูมันขึ้นมันมันมันขึ้นลงขึ้นลงไมมันจะเหนื่อยอะไรเลยเนี่ยถ้าเห็นกระดาษที่จู้เนี่ย ม, มันลอยขึ้นลอยลงลอยขึ้นฟ้าแล้วก็แล้วก็ตกลงมาที่พื้นลอยขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาที่พื้นแล้วไม่เห็นเหนื่อยอะไรเลยแต่เวลาดูจิตแต่ละคนเหนื่อยมากเลยเหนื่อยกับมันมากเหนื่อยเน็ยเหนื่อยมากในการดูจิตผิดแล้วอะไรนั่นเนี่ยท่าน มีความคงแต่งเกิดขึ้นอันนั้นแหละท่านไม่ใช่รู้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่รับรู้อย่างเป็นธรรมชาติเข้าใจ <c oughs> ไหละหายสงกัยไหมพออีกคาถามนะเจ้าคะที่ว่ารู้ซื่อคือสมมุติว่าตาเห็นรูปสมมุติโยมเห็นหลงตาก็รู้ว่าเป็นหลงตาแต่ว่านี่คือรู้ซื่อใช่ไหมจ๊ะคะ แต่ถ้าต่อด้วยอุ้ยหลวงตาทําไมเอผิวดําไปหรือทําไมอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ใช่รู้ซื่อๆแล้วใช่ไหมเจ้คาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้คําถามที่ดีมากเลยเนะี่ยถ้าเราไปเน้นแต่ทางตาหูจมกูกลิ้นกายที่กระทบแล้วก็รู้ซื่อือแต่สิ่งที่เห็นรู้ซื่อื่อแต่สิ่งที่ได้ยิน่ะไม่มารู้ซื่อื่อที่ใจไว้ด้วยอันเนี้ยเราจะเอาตัวเราเนะี่ยเอาขันห้าเนี่ย ไปพยายามรู้สิ่งใดภายนอกตัวเราซื่อซื่อแล้วทอนนี้พอรู้ซื่อซื่อไม่ได้จะทุกข์มากเลยจะพยายามมากเราหผมลองให้มาหาลูกตาหลายคนอ๋อเจ้าค่ะสาธุรู้ซื่อซื่อคือรู้ใจตัวเองซื่อซื่อรู้ใจตัวเองซื่อซื่อพอรู้ใจตัวเองซื่อซื่อมันก็จะไปรู้ทุกอย่างภายนอกซื่อซืเองแต่ถ้าไม่รู้ใจตัวเองซื่อซื่อมันจะไม่รู้ข้างนอกซื่อซื่อแต่ถ้าเราไม่รู้ใจเราซื่อซื่อเราเอาส่วนเราไปรู้ข้างนอกซื่อซื่อ รู้หลวงตามารู้หลงตาแล้วจะต้องไม่ให้คิดอะไรกับดวงตาเลยไม่ให้มีความคิดไม่ให้พาคอะไรเลยแล้วก็หลายคนทําแบบเนี้ยเราก็เอ๋อไปเลยการเป็นโรคเออไปอ๋อเจ้าค่ะโอเคเข้าใจตรงนี้งั้นก็เท่ากับว่าถ้าสมมติตาเราเห็นดวงตาแล้วเราก็ชั่งเรีองดูข้างในเราว่ามันพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันจะพูดอะไรก็จ้างมันมันจะตออะไรก็แก็รู้ซื่อเข้ก็รู้ซื่อมันคิดแบบนอ้ พอถ้าเรารู้จิตที่เราภาคซื่อมันก็จะรู้หลงตาซื่อๆไปด้วยเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้ค่ะอันนี้ดูทุกเรื่องเป็นแบบนี้เนะเจ้าค่ะตาหูจิตร่ากายใจกระทบอะไรก็ชํ่เรืองดูที่ใจเรามันพูดตรองรู้ซื่อๆที่ใจแล้วมันจะพร้อมกันก็จะรู้ซื่อๆสิ่งที่จะผ่าข้างนอกซื่อๆไปด้วยอ๋อเจ้าแต่ถ้าเราไม่รู้ซื่อๆที่ใจเราไปพยายามเนี่ยรู้แต่ข้างนอกซื่อๆแต่ไม่รู้ใจซื่อๆอันเนี้ยมันเอาตัวขันห้าเอาตัวเราเนี่ยไปพยายามไม่ทันรู้สื่อๆข้างนอกอัเนี้มัน บีบประคับมากเลยท่า น, นั้นคือเป็นการกระทําใช่เป็นการกระทำบปรคั บ, คบขัข้ามันแม่มันพาดอะไรเลยเจา้จาค่ะเจ้าค่ะเพราะขันห้ามันจะเป็นต้องพาคใช่ไหมเจา้าค่ะใช่อย่างนี้มันก็เท่ากับคุงแต่งมันได้เหมือนกับที่น้องตาโยกระดาษที่จู้ขึ้นฟ้าแล้วก็ทั้งกระดิกระดาษที่จู้มันลอยขึ้นแล้วก็ตกลงโดยตามธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามไปไปแทรกแซงแบบนี้คือให้มันซื่อไม่พาดอะไรอันเนี้ยท่านแทรกแซงค่ะ แล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเห็นม่โกรธอย่างเงี้ยค่ะถ้ากรณีถ้าเราโกรธอยู่เงี้ยก็รู้ว่ามันโกรธก็แค่นั้นเดี๋ยวมันกระดับไปเองพอรู้ซื่อๆรู้โกรธซื่อๆรู้โกรธซื่อๆเดี๋ยวซื่อๆมันก็ดับไปเองเพราะว่ามันก็เหมือนกันบกระดัษที่จู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยที่กระทบแล้วมันก็เกิดขึ้นเองก็ถ้ารู้ซื่อๆไม่ใช่วไปไปไปเท่งอาการรู้รู้ื่อธให้มันดับนะหลายคนเข้าใจผิดซื่อๆก ไปเพ่งอาการรู้ให้มันดับไปค้าหน้าคาตาคาหนังคาเขาอย่างนี้ไม่ใช่ผิดอย่างนี้ไม่รู้สื่ออันนี้แสกแสกคือเราทําอะไรเราก็ทําไปแต่ก็ในใจมันเกิดเราก็รู้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องรู้อยู่แล้วก็เราก็มีสติสัมปชัญญะในการทํากิจการงานนในประจําวันไม่ผิดพลาดแต่ในใจมันเกิดอะไรขึ้นเกิดมันก็ต้องรู้อยู่โดยธรรมชาติถ้าเรายังมีสติดูที่ใจดูที่ใจเออมันก็จะต้องรู้ว่ามีการโกรธล้วกระทบอก็โกรธขึ้นแต่เราก็ยังมีสัมปชัญญะในการทํากิจการงานไปตามปกติไม่ต้องไปใส่ใจ เดี๋ยวมันก็ดับมันไปเองเกิดเองก็ดับเองแต่ไม่จะบว่ามันไม่รู้หรอกธรรมชาติมันก็รู้มันโกรธก็ต้องรู้พวกเราปะิบัติเราโมโหก็ต้องรู้แต่เราก็มีสติธรรมชาติญาในการทํางานตามป ก, ปกติไฟไม่ต้องไปใส่ใจมันก็รู้อยู่ว่าในใจมันกนระทบโกรธขึ้นมาแล้วก็มีสติธรรมชาติญาในการทํางานตามป ก, ปกติแต่ก็รู้ในใจเนี่ย ก็รู้อยู่วมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่ไม่เข้ไาไปแทรกแซงไม่เข้าไปเพง่งมันดับไปมันก็เองมันก็ดับเองดับเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องไปสนใจเอดับไปไหนก็ไม่ต้องสนใจเป็นเรื่องของเขาเว่ามันอยู่ที่ว่ากระทบแรงกระทบค่อยอมันก็กระทบแรงมันก็โดนโดนกับจริตนิสัยกระทบแรงมันก็มันก็ต้องกดสักพักหนึ่งแล้วก็ดับมันไปเองค่อยค่อยค่อยดับหายไปนะมันจะดับปุ๊บไปเลยไงค่อยค่อยค่เรือหายดับหายไปแต่ถ้ากระทบค่อยมันนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวมันก็ไม่ไม่ถูกจลิตนิสัยไม่โตมาจริตนิสัยมันก็ เดี๋ยวก็ดับไปเองดับเร็วแต่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งดับปุ๊บเลยอย่างเงี้ไม่ใช่คือมันดับมันไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราก็สมารถกลับมาอยู่ที่ลมหายใจหรืออะไรไม่ต้องเลยอยู่กับเนี่ยปัจจุบันที่เรากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันที่เรากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็มันเกิดเองมันดับไปเองเนี่ยตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าเราไปทำมันดับแต่ถ้าเราไม่รู้ต้องทันมันเนี่ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรา เราพูด แ, แต่ส่งจิตออกนอกไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจอันนี้เราจะมีอารมณ์ผสมร่วมเข้าไปตัวนี้ร่วมกั บ, ร, กบร่วมกับอารมณ์โกรธแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นลาวก็เหมือนอย่างนี้อารมณ์โกรธก็เหมือนกับว่าเนี่ยพวกท่านขับรถมาเนี่ยขับรถมาฟังธรรมเนี่ยรถที่ท่านขับมาเนี่ยมาจอดเป็นหม่ทอดเสียมันร้อนไหมร้อนท่านขับมาไกลจากต่างจังหวัดบางคนขับมาแค่ในกรุงเทพเอ่อมาหาหลวงตาที่สาราธรรมปฐุมธานีเนี่ย บางคนขับมาจากนครปฐมบางคนขับมาเมื่วานนี้ขับมาจางไหนมึงไกลๆกันทั้งนั้นเลยบางคนก็ขับมาแค่ในกรุงเทพบางคนก็ขับแค่ใกล้ๆนี้ปฐุมธานีเนี่ยท่อไอเสียเนี่ยร้อนเท่ากันไหมไม่เท่ากันเวลาท่อไอเสียมันร้อนไม่เท่ากันเนี่ยเวลามันมันเย็นเราไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันเย็นไหมไม่ใช่เรามันจอดอยู่เนี่ยเราเราก็ไปเราไม่ไปไม่ไปทำอะไรกับมันเนี่ยมันเย็นไหม มันก็เย็นมเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่มันจะดับชา้าดับเร็วมันอยู่ที่เหตุปัจจัยแตกต่างกาันคือท่านขับมาไกลหรือขับมาใกล้แต่อย่างไรมันก็ต้องดับแต่ทําไมเขาบอกว่าเออก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจเพราะว่าสติต้องตั้งดีใจดูที่ใจรู้ที่ใจคือต้องมีสติไงมีสติก็มีอะไรเกิดขึ้นในใจเพราะมีสติมันก็เลยรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจคือสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันนะถ้าาาาเเรออสติไปว่่่คนนื มันก็ไปมีเรื่องมีราวสารพัดเลยผพรมัไปรู้แต่เรื่องคนอื่นเพราะว่าสติไปอยู่ที่คนอื่นมันเลยไปรู้เรื่องของคนอื่นอันนี้ก็ไปวิภาควิจารมีเรื่องมีราวกันถ้าเราสติตั้งที่ใจมันก็เลยรู้ว่าเออในใจอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปยึดถือแต่เดี๋ยวยังไงมันก็ดับดับช้าดับเร็วมันก็ดับเหมือนกับท่อไอเสียรถอะอยู่ที่เหตุปัจจัยที่กระทบ